เจาาคณะอุบลเสด็จประ ว, วันรักจากคณะใหญ่คณะธรรมยุตขอแสดงความเคารพและนับถือแด่ท่านพระเทรารเทราจากคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารและ ทางฝ่ายขอ ง, ของสอจศสนาสำนักพุทการสำนากาักงานศาสนาจังหวัดทุกท่านเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกรูปที่เรามา ประชุมใหญ่กันในวันนี้ก็เนื่อมาจากกระแสการปฏิรูปประเทศซึ่งเข้ามากระทบเกี่ยวข้องกับพระศาสนาจากที่เราฟังพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจนถึงคำ เสนอแนะจากภาค ร, รักคือท่านรัฐมนตรีรวมมาถึงสิ่งที่พระเดชพระคุณพระพรมโมนีพระพรมโมรีได้พูดมันโยงเป็นเรื่องการปฏิรูปทั้งสิน้นซึ่งในโอกาสตอนนี้ไปจะได้แสดงให้เห็นว่า เรื่องเหล่านั้นทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปอย่างไรและที่สำคัญก็คือเราสามารถในการสื่อสารให้กับฝ่ายที่อยากให้มีการปฏิรูปรู้เรื่องหรือไม่ว่าเราเองได้ทำอะไรและกำลังทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งฝ่ายรักทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็ตรงกันนั่นแหละแต่บางทีไม่ได้มีการพูดด้วยภาษาเดียวกันเขาก็เข้าใจไปคนละอยะ่าง คำว่าภาษาเดียวกันนั้นในฝ่ายบ้านเมืองในฝ่ายรัฐบาลเขาเรียกว่าภาษาแผนภาษายุทธศาสตร์ถ้ามันอยู่ในแผนมันอยู่ในยุทธศาสตร์แสดงว่ากาลังทำถ้าไม่อยู่ในแผนไม่อยู่ในยุทธศาสตร์แสดงว่าไม่ได้ทำ หรือไม่ได้คิดจะทำดังนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเพียงแต่สื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าเรื่องที่เรากำลังทำทั้งหมดเนี่ยเรากำลังสื่อให้บ้านเมืองเข้าใจว่าอย่างไร ซึ่งฝ่ายตัวเชื่อมก็คือสานักงานศาสนาแห่งชาติและระดับจังหวัดเราสื่อให้เขาได้ทราบว่าเรากำลังทำอะไรในขณะที่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายประชาชนเรียกร้องให้มีการทำโน่นทำนี่ปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่เราได้ทำมาแล้วหรือกำลังทำ ถ้ามันเชื่อมสื่อกลับไปด้วยภาษาที่เข้าใจกันมันก็จะไม่เกิดความสับสนฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในยุคนี้ก็คือเราไม่อาจอยู่ได้โดยลำพังเราไม่สามารถจะอาศัยความคิดที่ว่าทำอะไรคนจะเข้าใจเอง จึงยังต้องมีการเชื่อมประสานกับฝ่ายบ้านเมืองซึ่งสำนัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวเชื่อมเป็นโซ่ข้อกลางจากมหาเถรสมาคมไปถึงคณะรัฐบาลเนี่ยมันจะมีโซ่ข้อกลางตรงนี้ถ้าโซ่ข้อกลางมันกร่อนมันไม่ประสานกันมันขบกัน อาการมันก็น่าเป็นห่วงฉะนั้นเรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยเพื่อสื่อสารเชื่อมสิ่งที่เราทำกำลังทำให้เขาทราบและเขาอยากให้เราทำอะไรเขาก็เชื่อมประสานให้เราทราบรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกกันว่าปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนา ในการปฏิรูปกิจาการพุทธศาสนามันเป็นกระแสขอทบทวนกระแสเดิน ม, มาจนถึงจุดที่เราได้เตรียมการทำสั้นๆแล้วมาพูดว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างกำลังจะทำอะไรต่อไปและควรจะสนับสนุนเรื่องนี้กันอย่างไรทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายคณะสงฆ์ เริ่มเรื่องสรุปซึ่งได้แจกเป็นเอกสารไปบ้างจะไปอย่างรวดเร็วก็คือกระแสการปฏิรูปที่มีมาถึงพวกเราในปัจจุบันมันมาจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ที่ให้มีการปฏิรูปทุกด้านรวมทั้งด้านศาสนาและมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติส่งเรื่องไปถึงคณะรัฐมนตรีให้มีการปฏิรูปกิจการพระศาสนาสี่ด้านด้านที่หนึ่งการบริหารเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินเรื่องระบบบัญชีพูดให้ชัดก็คือต้องเป็นธรรมมาพิบัต มีการเสนอให้ออกพระราชบัญญัติการบริหารกิจการการเงินของคณะสงฆ์เด็ดับแต่ไม่ผ่านข้อสอมีการเสนอให้ปฏิรูปเรื่องการบริหารให้มีการกระจายอำนาจข้อสามพูดถึงการทําพระธรรมวินัยให้วิปริต และประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยข้อสอยากให้ปฏิรูปการศึกษาสมโดยเฉพาะบาลีนักธรรมให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้พระหนุ่มเนน้อยเข้ามาเรียนมากๆขึ้นเพราะเป็นหลักของพระศาสนาเมื่อสภาปฏิรูปเสนอครมรครมอรับทราบส่งมาที่มหาเถระสมาคม มหาเศรษฐาสัคมก็มอบหมายผู้แทนสารูปคือพระเดชพระคุณพรพรโมโลีพระเดชพระคุณพระผงมบรโมโลีและตัวกระบอได้หาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาในในการประสานงานกับผู้แทนฝ่ายรัฐบาลกับคณะสง์ เราได้ข้อตกลงกันหลักๆอย่างนี้การปฏิรูปคูจัดใช้มาตราการด้านกฎหมายให้น้อยที่สุดพูดง่ายๆเกือบไม่ต้องออกพระราชบัญญัติอะไรเพิ่มเติมหรือกดระเบียบเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบกฎมสมติอะไรถางมันมากพอแล้ว แต่เรามักขันนดตมาเร่งใช้มาตรการด้านการบริหารขับเคลื่อนยกตัวอย่างวันนี้ที่มีการพูดถึงคำสั่งเจ้าคณะใหญ่ที่สั่งมาสี่ข้อบ้าง6ข้อบ้างในเอกสารนะท่านไม่ได้เป็นคำสั่งที่เป็นกฎมอสอหรือเพิ่มเติมไปจากกฎหมายมันมีอยู่แล้วทั้งหมด ในเรื่องเหล่านั้นเพียงแต่ในฐานะผู้บังคับบัญชาแต่ละหนท่านมาขับเคลื่อนได้การออกคำสั่งแล้ววันนี้ที่มาประชุมและมาฟังพูดกันตอนต้นเนี่ย oh. ก็เพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปกำชับ oh. ให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่แล้ว oh. อย่างเคร่งครัด นี่คือมาตรการด้านการบริหารและถ้ามาตรการด้านการบริหารไม่ทำงานระวังมาตรการด้านกฎหมายมันจะเพิ่มเข้ามาจึงเกิดคำพูดว่าถ้าพระคุณเจ้าไม่กวาดบ้านตัวเองระวังคนนอกจะมากวาดวัดของท่านถ้าเราไม่กวาดวัดเราเอง คนอื่นจะมากวาดวัดของเราเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยการแทรกแซงเราควรจะมาปฏิรูปตัวเองกันมากกว่าแล้วปฏิรูปตัวเองทำอย่างไรก็คือกวดขันในการทำหน้าที่ของหกด้านด้วยกันเราเรียกว่างานคณะสงฆ์หกด้าน บวกพุทธมาพุทธสมพุทธมนตรไปอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่าหกบวกหนึ่งเลข6กบวกหนึ่งเนี่ยคืองานปกครองา ศ, า ศ, า ศ, า ศ, าศาสนศึกษาศึกษาสมครอเผยแพ่สารูปการศาสนาสมครอบวกการพัฒนาพุทธมนตรให้เป็นศูนย์กลางข้อหนาของโลกนี่ก็คือสิ่งที่มหาเทรสมาคมเห็นชอบตามข้อเสนอ แผนปฏิรูปหรือแนวทางการปฏิรูปของผู้แทนมหาเศรมคมสามรูปทำร่วมกับทุกฝ่ายออกมาเป็นแนวดำเนินการแล้วเสนอกลับไปที่คณะรัฐบาลเรามีเวอร์ชันของเราเองในการกวาดบ้านในการปฏิรูปเป็นเหมือนกับข้อสัญญาที่คณะสงฆ์โดยมหาเศรมฐคมส่งสัญญาณกลับไปที่คณะรัฐบาลว่า เราจะทำการปฏิรูปกันแนวนี้เรียกว่าหบวกหนึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมตริรับทราบข้อเสนอนี้เมื่อวันที่ส4บสี่กรกฎาคมสอง8้าห้าบจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็มีเมืม่อมีมติเห็นชอบแล้วก็ให้ดำเนินการในการดำเนินการนั้น ก็โดยส่งสัญญาณผ่าน ร, รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ร, รัฐมนตรีท่านสุวรรณพันธ์นี่แหละสมัยนู้นแท้ก็ดูแลอยู่แล้วกลับมาดูแลอีกซึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็ยังมาที่บายย้ำเมื่อภาคเช้าว่าเป้าหมายในการปฏิรูปของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีสองข้อหนึ่งรักษาศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนมีต่อพระศาสนาสอง ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนและถ้าท่านจําได้เพราะนั่งฟังไปพร้อมกับกระผมท่านเย็ดเน้นว่าการปฏิรูปต้องเริ่มจากภายในองค์กรหรือท่านใช้คําตอนหลังว่าเป็นการระเบิดจากภายในการปฏิรูปต้องเริ่มจากภายในองค์กรทุกกระทรวนท่านพูดอย่างนั้น รวมถึงคณะสงฆ์คณะสงฆ์ต้องคิดปฏิรูปเองไม่ใช่ให้คนอื่นมากวาดบ้านานี่คือแนวนโยบายของรัฐเขาไม่ได้คิดจะมาแทรกแซงนะครับเขาเพียงประสงค์ให้เราเรี่อเริ่มคิดเริ่มทำว่าจะปรับปรุงอะไรเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีการระดมความคิดว่าอยากจะเห็น การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในคณะสงฆ์โดยทางมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ให้สำนัก ง, งานขุนนาแห่งชาติร่วมกับมหาจุฬามหาวิทยาลัยจัดระดมความคิดของพระสงฆ์ใน4ขนก็คือเริ่มตั้งแต่ที่ขนตะวันออกขนเหนือขนกลางหนใต้แล้วได้แนวทางในการปฏิรูป เป็นเอกสารรายงานมหาเถรสมาคมหลายเรื่องถ้าท่านลืมไปแล้วผมจะเอามาย้ำอีกทีว่ามันมีผลต่อการปการดำเนินการในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราได้จากการระดมความคิดตัวอย่างนะครับด้านการปกครองหนึ่งกำหนดให้วัดห ร, หรือการปกครองพนส่์ในแต่ละระดับชั้น จัดทำยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนา5ปีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยที่มหาเถรมกผมเห็นชอบเนี่ยมันคือแผน5ปีและก็เป็นใบเป็นผลมาจากการระดมความคิดข้อหนึ่งนี่แหละส่วนข้อ2เราได้พูดได้ฟังได้อ่านแม้กระทั่งในหนังสือที่แจกวันนี้ มติมหาเทรสมาคมเรื่องการคัดกรองผู้บรรพชาอุปสมบทอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มาจากภายในในการที่ทํากันสี่ผลสี่าดนั้นเองไม่ใช่ใครมาสั่งเรานะครับเราได้มีมติเสนอมอสอจากการประชุมทั่วประเทศเนี่ยในด้านการปกครองข้อที่สองนี่ผมลอกมาเป็นเอกสารชัดเจนกําหนดระบบการคัดกรองผู้บรรพชาอุปสมบท แล้วมันก็มาเพิ่มมาเมื่อคัดกรองเข้ามาแล้วอย่าบวชอยู่เปล่าๆต้องอบรม15วัน30วันอย่างที่มหาเทพพรคมมีมติตามที่พระพรหมพระเดชพระคุณพระบรมโพธได้บรรยายจมไปเห็นไหมว่าไอสิ่งที่เราพูดเราทำเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยเขาหาว่าเราไม่ทำมันมันจะต้องมาสื่อกันว่าเราทํากันเป็นระบบนะครับแล้วมาดูอีกครับเรื่องสมัครการเรื่องการทําบัตรเนี่ย มันเป็นข้อเสนอเนี้ยท่านบอกว่ามันเสนอได้ตอนไหนนี่ครับปี58เนี่ยนะครับที่เราประชุมกันเนี่แหละมันเสนอเนะมาเรื่องข้อ2นอกจากคัดกรองแล้วยังมีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานปกครองคณะสงฆ์ที่เราทําประวัติกรอกประวัติกันมาทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยตามมติมอสองมันมาจากข้อเสนอเนะข้อที่2ที่รัเบิดจากภายในครับ ในเรื่องของศาสนศึกษาในปี58เราพูดถึงการมีพระราชบัญญตัติการศึกษาพระปริณธรรมและก็มีผลออกมาเป็นการ่ า, รางพระราชบัญญัติผ่านมสจนกระทั่งเข้าครมอไปครั้งหนึ่งและวตับออกมาแล้วเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีส่วนตันบอกว่าการในจะเข้าครมอครั้งที่สองต้องรออ ย, อยู่นะครับยังชะลอ ย, อยู่ครับในเรื่องของพุทธมนตรเนี่ยนะครับ มติพวกเราทั่วประเทศเนี่ยข้อหนึ่งบอกว่าให้ตั้งสำนักงานกลางการบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่อยู่ที่พุทธมนตนข้อสองพัฒนาพุทธมนตนให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกและข้อสามให้มีอนุพุทธมนตนทุกจังหวัดครับมันมีมันมีหมดแล้วที่เราเสนอมาเนี่ยเพียงแต่ว่า ทำอย่างไรอ ย, อย่าให้แต่เรื่องที่เราคิดเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศเป็นความฝันเราจึงได้ประมวลข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยนะครับเสนอไปที่ว่าจะทำอย่างไรดีในที่สุดนะครับเมื่อรายงานผลนดมความคิดเข้ามอสอในวันที่29กรุมภาพัน 2,019 เสร็จเนี่ ย, ยมหาเถรสมาคมรับทราบข้อเสนอได้ต่างๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตั้งมหาเถรสมาคมมีมติตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนาหกบวกหนึ่งโดยอาศัยงานหกด้านก็เลยตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆตามระเบียบ ม, มหาเถรสมาคมเรื่องอนุ เ, อเรื่องกรรมการหกด้านของคณะสงฆ์แล้วจะตั้งอืนอ่นเนี่ยระเบียบนั้นหรือมตินั้นเนี่ยระเบียบนั้นก็ให้ตั้งอีกก็คือตั้งแต่ปกครองจนถึงสาธารณสงเคราะห์ แล้วก็บวกกรรมการพัฒนาพุทธมนตรมีมติในวันมีคำสั่งออกมาเนี่ยมีในวันที่25มีสายน 2,559 อย่างที่เราทราบกันคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นด้านการปกครองก็มีเจ้าพระคุณสมเร็จพุทธาจารย์เนี่ยนะครับเป็นประธานด้านศาสนาสามีแม่กองบาลีสันการศึกษาสมเคราะห์มีตัวกระผมด้านการเผยแพร่มีเจ้าคุสมเร็จพุชนวงศ์ ด้านสานุปการมีพระเดศพระคุณพระพรหมบุญีสาธารณสกรศรพระเดศพระคุณพระพรหมวชริยานแล้วในการพัฒนาพุทธมนตรมีพระเดศพระคุณมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจดียวกเป็นประธานหกวงหนึ่งหรือ7ด้านมติมสออกมาแล้วคณะกรรมการทั้งหมดโดยการเสนอของประธานเนี่ยก็เข้าไปในมอสอีกมอสองก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการทุกฝ่าย คณะกรรมการทุกฝ่ายประชุมกันแล้วในที่สุดครับเดือนมีนาะคมถึงธันวาคมปี2 5 9เนี่ยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆจัดทำแผนยุทธศาสตร์คือแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจกรรมศาสนา5ปีครับ6บวก1นะครับไม่ใช่6ด้านอย่างเดียวแต่จริงในสาประชาคมนนเนี่ยเขาก็ําของเขา เอามารวมกันนะครับเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมเป็นแผนยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์นี้นะครับมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่30มสิบกราคม2องพเราไม่ได้หยุดเลยนะครับปีปี59เนี่ยท่านดูนะครับในายใช้เวลาทั้งปีทําแผนยุทธศาสตร์ แล้วทำแล้วมันจะมาใส่ลิ้ชักนิ่งอยู่ยงั้นเหรอไม่ใช่เรานำไปเสนอมหาเถรสมาคมในวันที่30มกราคม2560กำหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป5ปีครับในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยต้องตอบโจทย์ที่หลายๆฝ่ายอยากให้เห็นว่าคณะสมควรจะปฏิรูปในเรื่องอะไรและให้เกิดผลอะไรท่านดูวันที่นะครับ 30มกราคม260ก่อนหน้านั้น7วันนะครับวันที่23มกราคม260สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันได้พระราชทานพระรพระราชกระแสนะครับมีกระแสพระราชนำรัธเนี่ยต่อคณะกรรมการทุนเล่าเรียนหลวงโดยคณะคระองค์กมบัรีที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระราชกระแสมา ปฏิบัติพระราชกระแสที่ว่าพระราชสำนักนั้นนายแพทย์กเกษมวัชนาชัยองคมนตรีรายงานให้ที่ประชุมนี้ทราบเมื่อเช้าแต่มหาเทมคมเนี่ยทราบภายในแล้วท่านอันนี้ผมประชุมมอสอเราทราบกันแล้วแต่วันนี้เนี่ยเป็นทางการที่ท่านองคมนตรีมารายงานเองแต่ทางองคมนตรีเนี่ยท่านกเกษมนเนี่ยได้แจ้งที่ประชุมมหาเทมคมแล้ว เราจึงนําเอากระแสพระราชสำหรับเนี่ยมาประกอบแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจาการพุทสนากระแสพระราชสำหรับที่เป็นพระราชประสงค์ของรัช ก, กาลที่สินั้นนะครับผมทบทวนอีกทีนึงเมื่อเช้า เ, าเมื่อตอนบ่ายนี่ท่านจะคุณพระเอกพระคุณพระพรหมปณีได้พูดแล้วซ้ําอีกพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงค์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระมีความสํานึก และเป็นประโยชน์ในสังคมไทยท่านไปตีความกันนะครับในฐานะเจ้าคณะจังหวัดเราเจ้าคณะภาคจาคณะจังหวัดรองเจ้จังหวัดเนี่ยเอาไปขยายาในเรื่องของความรู้เรื่องคุณภาพเนี่ยท่านเจ้าคุณพระพรหมณีท่านได้พูดแล้วเป็นหลักฐานใจนี่คือเป็นที่ตั้งของศรัทธาเป็นข้อหว่วงใยที่ท่านมนตรีนํามาพูดส่วนให้พระมีความสํำนึกกจ้าบคุคคลเสด็จสังหราชท่านขยายความว่า ให้ให้ตระหนักในภาวะของเราด้วยเรียกว่าผมขยายว่ามีส ม, มณสัญญาและสำนึกที่จะทำประโยชน์แก่สังคมฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์ของเราต้องตอบโจทย์ที่เป็นพระปรณิธานหรือเป็นพระราชกฤษ แ, และนำหลับเนี่ยออกมาให้ได้เราก็มาดูกันว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยตอบได้ไหม ข้อแรกนะครับที่ว่าพัฒ น, นาความรู้และคุณภาพพระสงค์ท่านจํานะครับมันอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อไหนข้อ2ว่าเป็นที่พึ่งเป็นศรัทธาของประชาชนและส่วนข้อประเด็นสุดที่ว่ามีความสํานึกตระหนักโดยเฉพาะทำประโยชน์แก่สังคมมันไปอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อใดถ้าเราเอายุทธศาสตร์นั้นไปขยายไปทําก็ชื่อว่าสนองพระราชาบณิธานของพระองค์และนี่แหละต้องสื่อสารให้เข้าใจ นี่นะครับท่านมาดูแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่มหาเทรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบตัวันที่30มกราคม260ซึ่งมีอยู่ในเอกสารของท่านเนี่ยนะครับเป็นประเด็นเหล่านี้นะครับผมให้ขึ้นจอให้ดูท่านอาจจะมองไม่เห็นบ้างแต่ผมจะาให้ฟังโดยเฉพาะในเรื่องยุทธศาสตร์นะครับมี4ด้านครับอ่านให้ฟังนะครับยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง สร้างความมั่นคงด้านวิสณะข้อสองยกระดับกระบวนการบริหารจัด ก, การในองค์กรคณะสงฆ์ข้อสพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้เชิงพุทธข้อ 4, สี่ทรัพยากรมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกินจา ก, การวิษณะนี่เขาเรียกยุทธศาสตร์ภาพกว้างทีนี้เรามาดูกลยุทธ์หมายถึงวิธีปฏิบัติมีสิบข้อครับตอบโจทย์แต่และ่ายได้หรือไม่ เช่นข้อหนึ่งครับถ้าจะเห็นเลยครับเลื่อนที่ว่าให้พระสงฆ์เป็นหลักทางใจเนี่ยพระราชกระแสพระราชสำรักนั้นเนี่ยเรามาเป็นยุทธศาสตร์ไอกลยุทธ์เราเรียกกลยุทธน์นะครับคือวิธีปฏิบัติข้อที่1เลยครับที่ว่าเอาถถ้าถ้ า, ถ า, ถาดูอีกทีนะครับนี่ครับให้พระสงฆ์เป็นหลักทางใจเนี่ยของประชาชนเนี่ยนะครับคือเป็นที่พึ่งเป็นที่ศรัทธานเนี่ยซึ่งท่านรัฐมนตรีสุวรรณนธเรียกว่าอะไรครับผมพวดอีกทีหนึ่ง ท่านเริ่มุรีส่วนพันเรียกว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธาเอามาขยายนะครับ เ, ออเป็นเป็นที่ตั้งศรัทธากันแล้วกันนะครับหลักทังใจนี่ก็คือเป็นที่เพิ่งเป็นที่ะระลึกเป็นที่จะลงศรัทธาของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์ในกลยุทธ์เราถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งครับคือปลูกฝังศรัทธาในพุทธศาสนให้เกิดกับประชาชนรวมถึงศรัทธาในพระสงค์ด้วย ข้อสอครับทำอย่างไรให้ประสงค์มีความรู้ชาวพุทธมีความรู้ตามกระแสพัฒนธเราต้องเพิ่มศักยภาพทางปัญญาข้อ3อย่าได้ทําฝ่ายเดียวครับร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบวรนะครับบ้านวัดราชการข้อ4ครับที่บอกว่าที่ฝ่ายอื่นบอกให้ปฏินนรูปเรื่องการเงินเรื่องการของวัดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าธรรมาพิบาตครับโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นคือข้อสี่ ข้อ5ยุค 4.0 ครับเราต้องใช้เทคโนโลยีพุทธศาสนา 4.0 คือข้อ5ครับพัฒนาระบบสารสนเทศข้อ6พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมเรียนบาลีเนี่ยเรียนนักธรรมให้มันหน้าเรียนมันจะต้องพัฒนาหลักสูตรมีนวักนตกรรมเรื่องเอาคอมพิวเตอร์อะไรไปช่วยได้อย่างไรครับข้อ7ครับเพิ่มขีดความสามารถศาสนาบุคคลด้านการปกครองเมื่อเช้านีนะครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าทําอย่างไรให้ฝ่ายบริหารคณะสงฆ์พระสังฆาธิการรู้เรื่องการบริหารจัดการเห็นไหมครับมันอยู่ที่พัฒนาความสามารถาศาสนบุคคลและถ้าพัฒนาพราะนักเทศนักเผยแผ่ล่ะเราก็ต้องไปทําแผนตรงนั้นอีกกระจายไปให้หมดเลยไม่ว่าจะด้านการศาลลึกษาเผยแผ่นุปการศารสนสมพระพัฒนาให้หมดไม่ใช่จะเรื่องการปกครองและเราก็ไปทําแผนปฏิรูปกันสิครับแต่ละเรื่องแต่ละด้าน ข้อเครับเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศาสนาให้เข้มแข็งอันนี้ในบ้านเมืองเขาเรียก KM ครับ Knowledge Management การจัดการความรู้เราอยากจะเรียนความรู้ในศาสนาเราไปหาที่ไหนเราจากความคลัดเทศในจมวัดองค์ไหนไปเทศบารต่างๆเนี่ยมีแหล่งข้อมูลหมดข้อ9ครับบริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งแต่งงบประมาณแผ่น ด, ดินในการจัดทางานพระศาสนา ผมถามว่าแล้วสาสารสมบัติกลางเราไม่มีหรือมีครับแต่ปรากฏว่าการจัดการสาสารณสมบัติกลางเนี่ยแค่ทําบัญชีวัดร้างนี่ยังไม่ครบเลยครับยังไม่ยังไม่ทําไม่ ไ, มได้ทุกจังหวัดนะครับทําทะเบียนทําอะไรต่างเนี่ยใครเช่าเช่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยรายได้และการบริหารที่เอาสาสารสมบัติกลางให้เพิ่มเนี่ยนะครับ เพราะว่าผมนั่งอยู่ในที่ประชุมมหาเทวมคมครับพระยุทธภูมิพระพรหมพนีก็ฝากสำนักพุทธบอกว่าหาเจ้าหน้าที่มาช่วยใน4ีเรื่องวัดร้างเรื่องสาสนสมบัติาการทําให้มันรวดเร็วแล้วยังรวมถึงสาสนสมบัติของวัดครับปรากฏว่าสาธารสมบัติของวัดในบบที่ดินในในกรุงเทพไหนที่ไหนเนี่ยครับเช่ากันมาตั้งแต่เท่าไหร่กี่บาทคำท่านเราไม่มีปัญญาที่จะมาเอาบริหารจัดการให้มันเป็นประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาเลย ข้อสิบครับจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศาสนาแหล่งไหนมาจากรัฐบาลสนับสนุนผ่านสนักพุทธแหล่งไหนมาจากประชาชนบริจาคแหล่งไหนมาจากวัดที่มั่งคั่งนะครับอยากเอามาเข้ากรองการช่วยการปฏิรูปก็เอามากองไว้นาบริจาคเข้ามาเราก็จัดการปฏิรูปทั้งวัดทั้งงานพระศาสนาโดยไม่มีเขาเรียกว่าเบรกไม่มีการหยุดเลยถ้าหากว่าเราบริหารจัดการ ขอสิบกันเลีแบ่งอันไหนงบรัฐบาลอันไหนงบบริจาคอันไหนงบที่วัดช่วยกันเองเป็นลงขันปองกลางนะครับในในเรื่องเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นแผนแม่บท5ปทีมหาธิบดีกรมผิดชอบแต่ทำอย่างไรจะสื่อไปให้ถึงจังหจังภาคจากคณะจังหวัดไปถึงวัดเราก็สร้างเาเรียกว่าโซ่อีกข้อหนึ่ง เราเรียกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โดยมติมหาถนสมาคมนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีที่แล้วตั้งคณะกรรมการมีท่านจาพุนพระรัตนวรมเมธีเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีในส่วนสํานักงานพุนศนอาหาติมาร่วมกันท่านเหล่านี้นะครับไปช่วยกันขยายแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราจะปลูกสังสทาเนี่ยนะ มันจะต้องทำอะไรเราจะพัฒนาศักยภาพของศาสนบุคคลจะต้องทำอะไรบ้างลงไปในรายละเอียดว่าระดับภาคทำอะไรระดับจังหวัดทำอะไรระดับอาเภอทาอะไรเนี่ยมันจึงจะต้องมีแผนปฏิบัติการต่างจากแผนยุทธศาสตร์นะครับแผนยุทธศาสตร์นี่มันแผนระยะยาว5ปีแต่ทันจะทาตอนนี้วันนี้เนี่ยเราเรียกว่าแผนแผนปฏิบัติการประจาปี และในแผนปฏิบัติการนี่อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเราเรียกว่าแผนที่ปรับตามกลยุทธ์ตอนนี้เรามีงบประมาณมากเราทําเรื่องนี้ปีหน้าไม่มีงบประมาณก็หยุดเนี่ยเขาเรียกแผนกลยุทธ์ตอนนี้บ้านเมืองเขาเรียกร้องให้ทําสมาร์ทการ์ดเราก็ทํำซะเลยเพราะเขาก็เรียกร้องและงบประมาณมันก็มีเราเรียกว่ากลยุทธ์คือเขาเรียกภายเรือตามน้ํา ทีนี้ในการทําอย่างนี้เนี่ยภายเรือตามน้ำเนี่ยมันควรจะมีเรื่องอะไรเนี่ยมหาเถระสมาคมมอบให้คณะกรรมการหกวกหนึ่งไปช่วยคิดคณะกรรมการหกบกหนึ่งก็มอบหมายให้คณะกรรมการประสานงานแผนประสานแผนเนี่ยไปประสานกับผู้ปฏิบัติที่รัฐมนตรีท่านบอกว่าระเบิดจากภายในนี่มันไม่ได้มาจากท็อปดาวแล้วว่าสั่งจากมศลงไปนะครับไม่ได้ให้จ้าคณะ ใหญ่เจ้าคณะภาคสั่งนะครับแล้วเบอร์จากภายในคือแล้วระดับผู้ปฏิบัติการเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอจนถึงเจ้าอาวาสเนี่ยอยากทำอะไร แล้วทํำได้หรือไม่เมื่อสนองแผนยุทธศาสตร์สิบข้อเอกเขาแผนกลยุทธ์สิข้อตั้งแต่ปลูกฝังศรัทธาขึ้นมาเนี่ยท่านอยากจะทําอะไระบางรูปบางท่านบอกเอาน้ำสวดมนต์เอาบางท่านบอกว่าอยากจะให้เด็กทั้งหลายนั่งกรรมฐานอยากจะทําโน่นทํานี่เอาผู้ปฏิบัติมาช่วยกันคิดแล้วเมื่อปฏิบัติช่วยกันคิดเนี่ยตานพนตานคิดเนี่ยมันเป็นเวี้ยหัวแตกมันทํำพลที่คำํำคงคนละวัดมันไม่มีพลัง เอามาเขียนเป็นแผนร่วมกันพร้อมกันทั้งประเทศแล้วให้เจ้าค่าเจ้ามอสอเห็นชอบเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติในทุกระดับงบประมาณมันก็จะได้ตามมาสํานักคุทธก็ตั้งงบมาสนับสนุนทําอย่างนี้แหละครับเรียกว่าปฏิรูปปกติเนี่ยเราทำอยู่แล้วอย่างอย่างบางแห่งก็ให้มีสวดมนต์ใช่ไหมครับแต่งบทสารพันยะอะไรต่างๆ อา้ามันวัดเดียวสองวัดหรือจังหวัดเดียวทํามันทั้งประเทศเลยแล้วจะทําได้ไงต้องไปอยู่ในแผนปฏิบัติการต้องให้มอสเห็นชอบคณะกรรมการประสานนี่แหละเขาจะไปช่วยถามช่วยคิดแล้วสรุปออกมาเป็นแผนเป็นแผนระดับระดับภาคระดับจังหวัดแต่ในระดับวัฒนาจะทำลุงละเอียดไปอีกให้มันอยู่ใต้ร่มธงยุทธศาสตร์ใหญ่ใต้ร่มธงกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยต่อกันไนดะ้เขาเรียกว่า พูดภาษาเดียวกันท่านนึกเลยอย่างครับที่ผ่านมาแต่ละวัดทำแล้วแต่ท่านไม่รู้ว่าที่ทำเนี่ยมันอยู่ในยุทธศาสตร์ข้อไหนมันอยู่ในกลยุทธ์สิข้อข้อใดแล้วมันไปอยู่ในแผนปฏิบัติการของสำนัก พ, พุทธของมหาเทพคมตรงไหนรายงานไม่ถูกครับฉะนั้นคณะกรรมการนี้ไปช่วยระดมคาคิดเพื่อให้พูดภาษาเดียวกันในที่สุดก็ อย่างที่ได้พูดกันเนี่ยในปี60เนี่ยตั้งแต่ไปไประดมกันที่หนตะวันออกผนเหนือขนใต้ผนกลางนะครับที่ว่าเลยขิงเนี่ยว่าผนกลางาซึ่งได้ขอระดมกันเสร็จครับทำแผนปฏิบัติการประจำปี2561ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ที่ว่านั้น5ปีเนยนะครับเอาปีเดียวปี61เนี่ย มติมหาเศรษฐมคมนะครับมตินี่ครับวันที่21กันยายน2560เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการประจําปีแหะอันนี้ลงราลยละเอียดแล้วครับจากนั้นก็จัดทําแผนปฏิบัติการระดับเอางี้ก่อนครับแผนปฏิบัติการประจําปีเนี่ยเป็นโครงการ13โครงการ13โครงการหมายถึงหมายถึงอะไรครับ6บวก1 ในหฝ่ายนี่มีฝ่ายละ2โครงการเป็นแม่บทแล้วก็หนึ่งั่นคือแผนพุทธมนตริบวก1นนะครับเป็น13โครงการผ่านมสองเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว จากนั้นก็เอา13บวกเอา13โครงการเนี่ยไปคุยกับระดับจังหวัดนะครับณะกรรมการประสานแผนให้จังหวัดทําแผนระดับภาคระดับจังหวัดแล้วก็เอารวมระดับจังหวัดเป็นระดับภาคทั้งหมดนี้ขอรายงานตรงนี้นะครับ13โครงการา13โครงการนี่ไม่ได้หมายความทุกจังหวัดต้องทําทั้งหมดนะครับแต่จังหวัดไหนทําได้กี่โครงการเนี่ยเป็นแผนระดับจังหวัด แผนระดับจังหวัดเสร็จแล้วรวมในระดับภาคท่านทั้งหลายครับมาถึงเดือนมการาต้นปีนี้ทําครบทุกจังหวัดทุกภาคแล้วนี่นะครับนี่รายงานให้ที่ประชุมทราบพร้อมกันทําหมดแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เคยหยุดเลยนะครับเรื่องปฏิรูปเสร็จแล้วเป็นยังไงครับแผนที่ว่านั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนี่นะครับที่ผมจะลงรายละเอียดว่าในฐานะที่พระเดชพระคอยู่ในระดับจังหวัดระดับภาค เอาไปขับเคลื่อนอย่างไรแผนหกฝ่ายครับผมฝ่ายปกครองก่อนนะครับฝ่ายปกครองมีเขาเรียกว่าแผน1กับแผนสองมีสองอมีสองสามแผนนะครับยกตัวอย่างในแผนปฏิบัติการนั้นเราเรียกว่าโครงการครับโครงการแรกเรียกว่าโครงการพระพุทธศาสนา 4.1 โครงการพุทธศาสนา 4.1 เนี่ยคืออะไรในระดับคณะกรรมการปกครองเนี่ยเขาเป็นคนคุม ระดับภาคระดับจังหวัดต้องไปทำต่อถามว่ามันคืออะไรเนียผมจะพูดนะครับแต่จะอธิบายนิดหนึ่งว่าคำว่าโครงการพาัฒนา 4-1 เนี่ยมันเชื่อมกับอะไรครับมันหมายถึงว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่2ครับยกระดับกระบวนการบริหารจาัด ก, การภายในอยู่ในกลยุทธ์ที่5ที่ผ่านมสองมาแล้วเรียกว่าพัฒนาระบบสารสนเทศครับ เรียกว่าโครงการพุษาสนา4 1สมัชชาฐานข้อมูลศาสนบุคคลนี่คือพูดภาษาเดียวกันครับสิ่งที่จังหวัดทำภาคาทมไม่ได้ทำเขาเรียกว่านอกคำสั่งแต่ทำตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเป็นยุทธศาสตร์ที่2เป็นกลยุทธ์ที่5แล้วมหาเถรสมาคมไม่ได้ทำตามละพังนะครับมันสนองยุทธศาสตร์ของชาติของรัฐบาลเลยครับ ยุทธศาสตร์ที่หเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติที่1เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ครับเอาท่านจะดูว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันมีเวลา20ปีนะครับ่ Oil ยุทธศาสตร์ที่1เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นอย่างนี้ของศาสนามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปของพวกง า, านรัฐบาลเนี่ยสำนักพุนสบายเลยครับอา้าวรัฐบาลให้ทุนเรื่องอยุทธศาสตร์ชาติเรื่องศักยภาพพัฒนาเสรราียทุนมนุษย์คณะสงฆ์ท่านต้องท แล้วอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่ที่เท่าไรครับยุทธศาสตร์ที่2กลยุทธ์ที่5เป็นโครงการที่7ใน13โครงการแต่เราเอามาพูดเป็นโครงการที่1เพราะฝ่ายปกครองอยู่ฝ่ายที่1โครงการที่1ของฝ่ายปกครองคือโครงการพัฒนา 4.0 ถามว่าโครงการพัฒนา 4.0 ทำอะไรบ้าง ปี61คือปีนี้นะครับจัดทําฐานข้อมูลาศาสนบุคคลทั้งหมดก็คือพระทั่วประเทศมีประวัติเป็นอย่างไรเขาถัำไว้นะครับที่แจกไปตามวัดต่างๆเนี่ยตอนนี้ทําไป 20% เท่านั้นนะครับยังไม่ครบทั้งประเทศครับทําไป 20% ถ้าได้มาทั้งหมดเป็นข้อมูลาศาสนบุคคลเนี่ยแล้วเขาก็ให้ทําอะไรอีกครับ ให้ทําบัตรประชาชนตามมติมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมมีมตินะครับให้ทําบัตรประชาชนทําไปทําไมครับมาดูรายละเอียดมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่19มกราคม2 5 6พัอยบอยู่ในเล่มที่แจกพวกท่านนะครับน่าจะเป็นหน้า 77- 78สดเนั่นแหละครับสนับสนุนให้พระสงฆ์สัมเณีในวัดไปทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นสมารการครับจะเห็นได้ว่ามันทํากันไอ้ไอที่ทำเนี่ยนะครับทำในแผนวิจุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจําปีแล้วทำเออทำอย่างไรครับเพราะว่ารัฐบาลเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมปีนี้ต่อไปไม่ต้องใช้สําเนาบัตรประชาชนไม่ต้องสําเนาทะเบียนบ้านเพราะเขาเอาบัตรไปเสียบบัตรประชาชนนี่ไปเสียบเลย สมงไปโรงพยาบาลจะรักษาอยู่โรงพยาบาลไหนนะครับไม่ต้องเอาสำนักเอะไรครับเอาบัตรประชาชนไปเสียจะได้รับบริการในเรื่องของการรักษาพยาบาลสมรภูม ม, มาบวช น, นะครับเด็กถ้าอายุไม่เกิน15มาเรียนจบป .4 ป .6 มาบวชเป็นส ม, มนเภูรัฐบาลไม่ว่าจะไปอยู่วัดไหนรัฐบาลจะต้องเอาเงินไปสนับสนุนการศึกษาพระไติธรรมของสมรภู ม, ม เ, เพราะอะไรครับ เพราะบัตรประชาชนที่สมเด็จมีเนี่ยบังคับให้ฝ่ายรัฐ ต, ต้องส่งเขาประมาณลายหัวเท่ากับเด็กภายนอกครับตามไปถึงวัดท่นี้ถ้าเราไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ครับเนรเราก็ไม่มีสิทธิ์และพระก็ไม่มีสิทธิ์เ ร, รื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรต่างๆมันจึงจะต้องทําบัตรประชาชนทนีนี้เมื่อทําข้อมูลสาสนบุคคลที่กรอบ ก, กันมาเนี่ยครับตั้งแต่ต้นที่มสมีมติถามว่ากรอกเอาไปทําอะไร ตอนนี้นะครับท่านเอามาไว้ในระดับไหนครับเนะี่ยอย่างที่ทำกันเนี่ยจดทำข้อมูลศาสนบุคคลปรากฏว่ามันไปอยู่ที่เจ้าคณะภาคนะครับยังไม่มาถึงคณะกระรม ก, ก, การตอนนี้ผมจะขอขอความคิดเห็นท่านทั้งหลายในนเมื่อเรามาประชุมกันแล้วเราก็ช่วยกันกรอกแบบฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ากรองเอาไปทำอะไรเราจาเป็นจะต้องมีบัตรประชาชนไหนเราจะต้องมีบัตร ใ บ, ใบสุทธิเราต้องมีแน่นอนแต่นอกจากใบสุดทธิแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําพุษนาเ0เพื่ออะไรครับคําตอบนะครับคือให้เป็นฐานข้อมูลใหญ่ระดับจังหวัดจะรู้ว่าในจังหวัดของตัวเองมีพระกี่รูป ก, กดเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะรู้ว่าแต่ละรูปมีประวัติอย่างไรประวัติทั้งหมดจะอยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัด เวลาจะแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องสมณรณะสั์เพียงแต่เปิดดูก็รู้เลยท่านทำอะไรเพียงแต่รายงานนานเพิ่มเติมเข้ามาว่าในช่วงที่อัปเดตอัปเดตนะครับท่านทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาการจะแต่งตั้งโยกย้ายใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้พิจรารณาก็ง่ายขึ้นในเรื่องของระดับจังหวัดระดับภาคระดับเจ้าคณะใหญ่จนถึงมหาเศรสมาคม พอถึงระดับภาคในภาคผมภาคสองก็มี4จังหวัดมันก็ไปอยู่ที่ฐานเจ้าคณะาภาคเจ้าคณะใหญ่ผลกลางก็23จังหวัดก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลเหนือขนเหนืก็มาอยู่ในฐานเจ้าคณะใหญ่อยากจะกดดูประวัติองค์ไหนก็ได้ในระดับมหาเทรสมาคมเสนเ อ, อมีทั้งประเทศคําถามนะครับ แล้วเราจะรู้ว่าแต่ละรูปเป็นอย่างไรเนี่ยเสียบตาร์ดเสียบบัตรประชาชนเนี่ยนะครับบัตรเดียวเนี่ยมันจะมีสิ์ที่อ่านมันจะขึ้นหมดเลยครับว่าพระทั้งหมดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรที่ถกเถียงกันทุกวันนี้นะครับก็คือว่าแล้วข้อมูลของพระทั้งหมดควรจะไปอยู่ที่ไหนครับที่กดแล้วเช็คได้หมดเนี่ยมีฝ่ายเสนอจากภาครัฐนะครับ ให้ไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยก็หมายความว่ามีบัตรของเรานี่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลพระได้หมดเลยสถาปนศาสตร์เมื่อไรอะไรอย่างไรย้ายวัดไปไหนบดหรืออย่างไรแนวทางมีสองวิธีนะครับวิธีหนึ่งอย่างที่ว่าไปอยู่กระทรวงมหาดไทยอีกวิธีหนึ่งบอกว่า เอามาเก็บไว้ที่มหาเทราสมาคมสำนักงานพิเศษแห่งชาติเป็นผู้ดูแลช่วยกันใครจะเข้าถึงข้อมูลนี้ต้องมีรหัสเข้าไปเท่านั้นไม่มีรหัสไม่มีสิทธิ์หมายความว่าในระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดใช้มีรหัสเข้าเฉพาะในจังหวัดของตัวเองในระดับภาคดูได้เฉพาะในภาคตัวเองระดับผลดูได้ในผลตัวเอง ในส่วนตลางดูได้ทั้งหมดแต่ต้องมีรหับเท่านั้นคนนอกเข้าไม่ได้นี่เป็นแนวทางที่สองแนวทางแรกนะครับเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วใครก็เข้าถึงได้แบบที่สองกับมีเซิร์เฟเวอร์อยู่ที่สำนักงานพัฒนาแห่งชาติมหาเทวสมาคมดูแลเหมือนอะไรครับเหมือนข้อมูลของกองทัพทั้งหมดเขาไม่ได้ให้กระทรวงมหาดไทยนะครับ เขามีกองทัพและเขามีกระทรวงของเขาแล้วก็เฉพาะของทหารเนี่ยกองทัพ บ, บกเขาก็ดูของทัพ บ, บกทัพเรือดูทัพเรือใครจะดูได้แค่ไหนเขามีเซิร์ฟเวอร์ต่งางาๆมีรหัสต่งางาๆถ้าไม่มีรหัสเข้าถึงไม่ได้เป็นข้อมูลเฉพาะ อ, อ, องค์กรคณะสงฆ์เราไมไม่ได้มีมากเหมือนทหารเราสามารถจะมีเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลของเราเองเก็บไว้ที่คณะสงฆ์สำนักพุทธมาช่วยและผู้ที่จะเข้าถึงในระดับใดมีรหัสให้เฉพาะระดับนั้นและถ้าผลนจากตาแหน่งเขาเปลี่ยนรหัสนะครับฉีการ์ดที่เวลาไปเสียบเนี่ยเข้าห้องพักนี้ได้สองวันพอพ้นแล้วเขาเปลี่ยนเลยนะครับพ้นอื่นเอาเอาเอาจารย์การ์ดนั้นมาใช้ใหม่ไม่ได้แบบเดียวกันครับอยู่ในตําแหน่งแค่ไหนเข้าได้เฉพาะช่วงนั้นการเสียไปแล้วพ้นไปแล้วหมดสิทธิ์ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในแบบที่สองนะครับผมพูดในที่ประชุมนี้ก็ได้คณะสงฆ์อยากได้แต่ว่าในฝ่ายบ้านเมืองอยากจะได้แบบที่หนึ่งมันจึงชะนักอยู่แต่ไม่ใช่ว่าในฝ่ายบ้านเมืองเขาไม่มีฐานข้อมูลของอของทหารของตํารวจโดยเฉพาะคณะสงฆ์ควรจะมีฐานของตัวเองมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองบานแหงบอกว่ามันแพงเพราะขุณเจ้า50 60ล้าน ขอไปถามผู้เชี่ยวชาญ น, นะครับมันอยู่ที่ท่านเอาไปใช้ทำอะไรไอ้ที่เขามาเสนอ5 0 6 0ล้านเนี่ยใช้ครบเครื่องเขาเรียกว่ามีมีโปรโมชั่นหลายอย่างซึ่งเราไม่จาเป็นต้องใช้หมดเหมือนกับซื้อโทรศัพท์เลยนะครับท่านซื้อโทรศัพท์มาใช้ในการโทรเข้าโทรออกนี่พันสอ0 0บาทท่านก็ซื้อได้แต่ถ้าท่านจะมาเล่นเน็ต น, นะครับเล่นไลเนี่ยมันค่อยแพงขึ้น ลูกเล่นต่างหากที่มันทําให้แพงซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของคณะสงฆ์ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเก็บไว้ที่เรานี่แหละผมอยากจะพูดแทนพวกเราและถ้าท่านนิ่งแสดงว่าเห็นด้วยนะครับผมใช้วิธีธการเนี่ยเราไม่ท่าน ไ, ไม่ต้องสาทุอะไรหรอกเห็นด้วยซะแล้วเราก็เอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเพ ไ, ไว้ที่คณะสงฆ์ต่างหากแล้วแพงเท่าไรถ้าเขาไม่สตังนะครับเราก็เฉลี่ยกันนะครับวัดผมก็ยินดีช่วยครับ วัดท่านก็นจะดีช่วยใช่ไหมครับตามจำนวนพระเห็นด้วยก็ไม่ต้องพูดอะไรนะครับแต่จริงๆไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่ได้แพงมากอย่างนั้นทาเถอะครับอันนี้ผมผมพูดตรงนี้ก็เพื่อที่อยากจะพูดแทนพวกเราบางส่วนที่พอจะไปไว้รวมกับถามว่ามหาไทยเข้าถึงไหมก็เข้าถึงข้อมู ล, มลส่วนบุคคลไงเราเอาบัตรบัตรประชาชนไปเสียบ เกิดที่ไหนพ่อแม่ชื่อไรอยู่วัดไหนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์รู้หมดแต่ข้อมูลทางคณะสงฆ์สมณศักดิ์เนี่ยมันเพิ่มเข้ามาต้องมีเสียบเข้าไปแล้วต้องมีรหัสที่จะรู้เหมือนกันนะครับตํารวจทหารเขาก็ทําอย่างนี้คณะสงฆ์น่จะทําอย่างนี้และถ้าเรามีบัติอย่างนี้ออกไปนะครับยืนยันให้มีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองมีรหัสเข้าเนี่ยผมคิดว่า ง, งานส่วนนี้มันจเจรินหน้าไปได้ไปเรื่องต่อไปครับ ในผมยกตัวอย่างนะครับในระดับจังหวัดในระดับภาคโครงการ 4.0 ก็ไปทําแล้วผมยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากผมเป็นจากคณะภาค2เจ้าคณะภาคก็ทําแผนยุทธศาสตร์ไอแผนปฏิบัติการในระดับภาคเสร็จเรียบร้อยครับยกตัวอย่างจังหวัดพนัชครศสีสุวรรในภาคหก็จะมีรายละเอียดในเรื่อง 4.0 นเนี่ย ท่านไม่ต้องดูอะไรมากนะครับว่าทำสมัครการอย่างไรอะไรหาข้อมูลของพระ ก, กันอย่างไรทำมารวมไว้ที่จังหวัดส่งไปที่จังหวัดพระเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือการการจัดระบบเข้าถึงข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยังไม่ได้ทํากันเท่านั้นเนี่ยซึ่งมอสอก็ต้องมีมติตอนนี้ยังให้คณะ ก, กรรมการฝ่ายปกครองไปศึกษาเรื่องนี้2แนวทางท่านยังไม่รายงานเข้ามอสอ เราก็เลยชักนักงา่นผมพูดแทนก็แล้วกันนะครับว่าเราน่าจะทําแบบที่สองแล้วให้ฝ่ายปกครองเสนอเข้ามาเลยเท่าบอสอ .2 ม อ, อ, อ, อจะได้มีมติทําเซิร์ฟเวอร์ของเราเอานะครับนี่ทีนี้แผนอีกสิแผนนะครับผมจะไม่พูดรายละเอียดนะครับนี่ยกตัวอย่าง 4.0 เลือกสมัชชการเรื่องอะไรต่างๆเราสามารถโยงตั้งแต่สนองนโยบายของชาติคณะสงฆ์และระดับ ต่างๆอย่างไรเราทำแผนปฏิบัติการประจำปี13แผนในระดับจังหวัดใช้งบประมาณเท่าไรผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราตกลบว่าเราจะมีสมัครการในฝ่ายเจ้าคณภาคต้องสามารถมีรหัสเข้าถึงข้อบูลแสดงว่าเจ้าคณะภาคต้องอะไรครับต้องมีคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอระดับตาบลต้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อถึง เข้าถึงข้อมูลในระดับตำบลในระดับเอเบอรตรงนี้มีค่าใช้จ่ายค่าคอมพิวเตอร์ค่าอะไรต่างๆมันจึงมีงบประมาณเข้ามางบประมาณเหล่านี้อาจจะมาจากเราบริจาคกันเองก็ได้จากรัศนับสรุนก็ได้ทำแผนงบประมาณทุกโครงการครับเสียอย่างเดียวนะครับท่านทั้งหลายเราทำแผนเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนเสนอมหาเทศบาลคมเนี่ย ตอนทําแผนเสร็จเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าไปให้มหาเศรษฐบขมเห็นชอบเพื่อให้เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีไปตั้งงบประมาณลุดไปครับนะครับผมผมเน่พยายามตามอยู่ปรากฏว่ายังไม่ได้เสนอให้หมศรู้เรื่องแผนปฏิบัติการปีหกหนึ่งสำนักพุทธต้องไปตั้งงบประมาณสนับสนุนในแผน13ข้อนี้จะไปแฝงไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็ดำเนินการต่อไปมันถึงจะมีการขับเคลื่อนต่อไปเราทำแผลเสร็จผมยกผมพูดเร็วเลยสินะครับในโครงการที่สองของฝ่ายปกครองครับโครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบัตเริ่มตั้งแต่ส่วนกลางครับจนถึงระดับจังหวัดระดับเจ้าคณะต่างๆ อันนี้วันนี้บังเอิญว่ารัฐมนตรีสุวรรณเนี่ยท่านพูดสอดคล้องกับโครงการนี้ครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะดําเนินการหรือเปล่าเพราะว่าต้องให้ทางฝ่ายมหาเถรมะมาคมทางฝ่ายสนับพุทเนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วก็ตั้งงบประมาณสนับสนุนจะมาจากไหนก็ตามเรื่องที่รัฐมนตรีพูดเมื่อเช้านะครับถ้าผมสรุปไปอย่างนี้ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปคือปฏิรูปการศึกษา จัดถวายความรู้เรื่องการบริหารการจัดการแก่คณะสงฆ์เพื่อให้ทำงานได้โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมาภิบาล ท่านก็นจับได้นะครับเมื่อเช้าท่านน้ำย้ำตรงนี้อันนี้เนี่ยพศออกับทางฝ่ายคณะกรรมการปกครองต้องทําหลักสูตรแล้วก็ขับเคลื่อนมันเป็นมันอยู่ในโครงการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาพิบาลครับอยู่ในโครงการ13าโครงการแล้วที่ท่านพูดเมื่อเช้าเลยแต่มันยังไม่มีผลปฏิบัติเพราะมศยังไม่ได้ประกาศสํานักพุทธก็ยังไม่ได้เอามาส่งให้ทุกระดับต้องทำวันนี้น่าจะพูดให้ตรงกันแล้วเราทํา นะครับทำในปีนี้แหละครับในฝ่ายปกครอมครับโครงการที่สาพบโครงการพัฒนาขีดความสามารถสาสนบุคคลผมไม่มีเวลาพูดในรายละเรียนนะครับท่านไปดูเอาเองว่าเราจะต้องพัฒนาฝ่ายศึกษาฝ่ายเผยแผ่สรุปการอะไรยังไงว่าจะไปให้ครบและมีพูปประมาณเกี่ยวข้องฝ่ายสาธาศึกษาครับ ฝ่ายสนับศึกษาเนี่ยโครงการที่หนึ่งของสนับศึกษาคือยกระดับการศึกษาพระมรยติ ธ, ธรรมตอนนี้อออรอพรบท่านันเหระครับถ้าพบรบพรื่อการศึกษาวิธรรม ท, ที่ธนบุตรีสุวรรณพันุ์ผู้เนี่ยมันผ่านสภานะครับยกเครื่องระบบการศึกษาบาลีนักธรรมสายสามัญได้หมดตอนนี้ที่ยกเครื่องปฏิรูปประสงค์การผลิตไปแล้วคืออะไรรู้ไหมท่าน คือปฏิรูประดับอุดมศึกษามหาจุฬามหาเมกุตไปถึงโลกพระจันทร์แล้วครับเรารอบาลีนักธรรมและสายสา ม, มัญด้วยพรบฉบับ น, นี้เพราะฉะนั้นผมพูดแทนฝ่ายมหาจุฬาได้เลยครับถ้าเราไม่มีพรบรมหาจุฬาเมื่อ20ปีครับมหาจุฬาไม่มีทานที่จะมีวันนี้ครับอยากจะเห็นบาลีนักธรรมปฏิรูปนะครับทานพรบรให้เราเร็วๆแล้ ว, วจะเห็นครับอันนี้ผมแทนพูดแทนสั้นสั้หลายได้โครงการที่สอง ในฝ่ายสาสนาศึกษาคือโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธหมายความว่าใช้เทคโนโลยีครับมาทำหลักสูตรบาลีนักธรรมหมายถึงว่าตาราการเรียนการสอนให้มันน่าเรียนครับสอบทางใจสอบอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือนวัตกรรมครับไปฝ่ายศึกษาสมเคราะห์นะครับซึ่งผมเป็นประธาน โครงการที่หนึ่งคือโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมเนี่ยหมายถึงเรียนธรรมะ เ, เรียนพุทธศาสนานะครับโรงเรียนของเด็กมัธ ย, ยมทุกปฐมมัธยมทั่วประเทศมีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในโรงเรียนเราก็อาจจะมีการปรับปรุงหลักสูตรของฝ่ายบ้านเบืองเราต้องดูแลให้เรื่องเหล่านี้อยู่ตรง น, นั้นให้เรียนวิชาพุทธศาสนาและเราก็พยายามให้มีโรงเรียนวิถีพุทธ มีโรงเรียนพุทนาวันอาทิตย์โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์โรงเรียนกายมุสของวัดอย่างนี้นะครับแล้วที่สำคัญครับในหัวตาางนะครับแจกทุนแจกธรรมแจกทุนการศึกษาแต่ไม่ได้แจกธรรมะเราเลยเรียกว่าแจกธรรมแจกทุนครับให้สามารถทาในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งของศึกษาสมเพลาะคืคอทํา KM ครับ Knowledge Management ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาศาสนาเนี่ยเราจะไปเอาที่ไหนถ้าโรงเรียนก็อยากจะนิมนพระไปอบรมครูพระสอนศีลธรรมในระดับจังหวัดนิม น, นเองเรามีฐานข้อมูลให้เราอยากจะได้ฐานข้อมูลในเรื่องอตำรับตาําราอะไรต่างๆมีให้หมดครับทั้งสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องพัฒ น, นาเรื่องเผยแผ่ครับหมู่บ้านรักษาศีลหครับก็มาอยู่ในโครงการปฏิรูป เรื่องการเผยแผ่ครับเองก็คือโครงการยกระดับภู ม, มิภานรักษาศีลห้าเรื่องวิปัสนาครับเป็นโครงการที่เราเอามาใส่ไว้ในแผนปฏิบัติการประจรําปีจัดอบรมประชาชนอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ในแผนนี้เป็นโครงการที่สองสาธารณการครับโครงการบริหารจัดการาศาสารสมบัติเรื่องระบบบัญชีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เรื่องการทำํำ เรื่องการทําไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับบัญชีเรื่องการทําบัญชีรับจ่ายของวัดเรื่องของการทําบัญชีทรัพย์สินของวัดเป็นไปเพื่ออะไรครับเพื่อการปฏิรูปอย่างไรครับต่อไปเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลาศาสนบุคคลนะเรียบร้อยที่ท่านทําเรามีข้อมูลศาสนสมบัติเรามีข้อมูล สารสนัทิกลางเรามีสารสนัติของวัดเวลาเราทำแผนเนี่ยนะครับเรื่องไหนใช้สานสนัติกลางเราก็จะเกิดเห็นภาพเรื่องไหนผสมเอาของรัฐของส่วนกลางเอาของวัด แ, แต่ละผลแต่ละภาคเนี่ยเราบริหารจัด ก, การปฏิรูป ปรับปรุงงานได้เยอะแต่ทุกวันนี้ครับเราไม่รู้ว่าใครถือไพ่อะไรไว้ในมือมีคนอยู่ที่ไหนอย่างไรจะเลื่อนจะย้ายจะตั้งคิดกันหัวโป่งครับนี่ก็คือทำให้การปฏิรูปเป็นไปได้ลาบากในเรื่องสาธรารณการที่คนเห็นภาพชัดเจนก็คือโครงการวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม5สเขาทำาให้ในทําเรื่องของ การประเมินวัด5้สอไว้ด้วยครับใช้งบประมาณไม่มากต่างคนต่างประเมินวัดทำวัดของตัวเองแล้วก็ให้จ้าคณะอําเภยเจ้าคณะตําบลอะไรไปประเมินเนี่ยอย่างเช่นว่า1วัดท่านมีแผนแผนแม่บทไหมในการพัฒนาสองถนนทางสะดวกไหมมีต้นไม้ต้นไม้ไห ม, ไมการเดินทางจราจรสะดวกไหมเลือกขยะเป็นยังไงสะอาดไหมสิ่งปฏิกูล เรื่องที่เขาบ่นมากคือห้องน้ำของวัด น, นะครับเรามีห้องน้ำห้องซ้วมมีโรงรัวสะอาดมีอะไรแสงสว่างเนี่ยสักสิบข้อครับตอนนี้เนี่ยฝ่ายคัดแผนปฏิบัติการจากนระดับจังหวัดเนี่ยมีเราก็ขอให้ทางมหาเศรปฐมคมเห็นชอบสั่งการแล้วก็ตั้งงบประมาณอะไรต่างเนี่ยมันก็จะไปได้สวยเลยครับ เรื่อง5สสาธารณสงเคราะห์ครับมีโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์เนี่ยก้าวหน้าหน่อยครับมีฝ่ายมาร่วมเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นมูลริษัท ม, มูลริษัทอะไรต่างๆแนมะ้กระทั่งที่ล่าสุดนะครับผมนั่งอยู่ในมอสอนะครับชอบใจครับทางสสสเนี่ยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพเนี่ยให้พระธรรม ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เพื่อไปของพุประมาลแผ่นดินครับพระเดชพระคุณประธานเนี่ยโครงการคณะสุคล้อมและดมการทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เอาเข้ามหาเทวสมาคมครับตอนนี้ไปเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเราไประดมทำถวายพระสงฆ์กันใหญ่เลยนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งครับที่อยู่ในแผนโครงการเนี่ยในเรื่องของ โครงการพุทธมนตนนะครับให้เป็นส่วนกลางพุทธโลกหนึ่งในนั้นคือความสําเร็จของประธานนะครับเจา้าบุคคลสำเร็จพิจาริวงคือสร้าง อ, อาคารปฏิบัติธรรมโพธิยางวิ ช, ชาลัยซึ่งท่านคุณตรีได้ชื่นชมเมื่อเช้านี่นะครับมันก็อยู่ในโครงการพัฒนาพุทธมนตนเป้าหมายในการพัฒนาพุทธมนตรใ น, นในแผนแม่บทเป็นอย่างนี้ครับอยากจะเห็นทํำให้สําเร็จ เป็นแผนแม่บท1พุทธมนตรเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกนะครับ 2. เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมนะครับอยู่ที่นี่สพุทธมนตรเป็นศูนย์กลางการปกครองอส่งเสริมการปกครองการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยมีรวบรวมฐานข้อมูลอย่างที่ว่ามามีอาคารสํานักงานเจ้าคณะใหญ่4ี่หลนสานักงานสํานักงานเจ้าคณะภาคฝ่ายมหานิกายธรรมยุก อยู่ในแผนแม่บทพุทธมนตเนี่ยนะครับอยากจะเห็นการขับเคลื่อนตรงนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท, ทั้งหมดเนี่ยนะครับแผนปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยเสนองบประมาณเพื่อทำเรื่อง น, นี้ในปี 6-1 หนึ่งตอนนี้ไม่ทันการแล้วครับมีเงินตั้งแต่ระดับภาคระดับจังหวัดระดับภาคมาจนถึงระดับเจ้าคณะใหญ่เนี่ยรวมแล้วนะครับาโครงการหนึ่งพ ห้ารอยล้านบาทปรากฏว่ายังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เสนอนี้มันหายเข้ากลีบเมฆไปไหนครับผมผมเองผมก็นั่งรอลอยอยู่ในมหาเทวนมคมผมก็ไม่เห็นใครไปแจ้งมหาเนมคมจนกระทั่งมหาเทวนมคมอมอบหมายให้ตัวกระผมเนี่ยมาพูดเรื่องนี้ผมก็เลยเรียกข้อมูลมาดูครับผมเรียนตรงๆนะครับไม่เคยรายงานมหาเทนมคมว่าจะใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ผมเรียกมาผมถึงได้รู้ว่าท่านทํากันอย่างนี้ไปทำมากมาย ผมต้องพูดตรงนี้ตรงไปตรงมาในฐานะกรรมการมสอครับว่าท่านจะต้องเสนโอโครงการเนี่ยที่ว่าเนี่ยเข้ารายละเอียดแผนปฏิบัติการให้มหาดไทยพระคอมเห็นชอบแล้วให้เห็นว่าต้องไปตั้งงบประมาณสำนักพุธเขายังจะผมพูดด้วยความไม่สบายใจในฐานะที่มหาดไทยพระคอมมอบหมายให้มอต่างเรื่องการปฏิรูปว่าผมได้รับการมอบหมายให้ไปทำแผนห้าศาสนาครับ ห้าศาสนานี่พุทธทิศฮินดูอิสลามพราหมนีซิกเน่ยนะครับเขาทําแผนอุปถัมบปรมปรห้าศาสนาปรากฏว่าแผนอุปถัมภะศาสนาเนี่ยเข้าที่ประชุมคณ ะ, ะครัฐมนตรีไปตั้งแต่ปีที่แล้วคณะมนตรีเห็นชอบในการถ่ายอุปถัมภะห้าศาสนามีสนักมีพุทธนาเป็นจริงแต่งขอโทษไทยเสนอครับกรมการศาสนาเสนอกรรม ผมไปเป็นกรรมการอยู่ตรงนั้นในฐานะผู้แทนบสอแล้วผมก็รอ ว, ว่าเมื่อไรแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับแผนยุทธศาสตร์5 ป, แปีแผนปฏิบัติการ1ปี5ปีเนี่ยมันจะเข้าคอรมอครับโดยผ่านสัมนกคุณจนบัด น, นี้ผมยังไม่เห็นครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องบ่นในฐานะกรรมการมศวว่าทําไมไม่เอาเข้าครรมอเหมือนกรมการศาสนาเอาแผนพัฒนาหศาสนาไปเข้าเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมจัดทวงในตรงนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นการขับเคลื่อนที่ผมพูดมาเนี่ยไปเข้าครมอแล้วอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปกิจการพระศาสนา แต่ถ้ายังไม่เข้าเรายังไมอย่าไม่หยุดนะครับเราต้องกวาดบ้านตัวเองต้องทําต่อไปงบประมาณไหนมาจากสาธารณสรมุทรกลางสนับสนุนไปอันไหนมาจากงบรัฐบาลก็ทําไปอันไหนเป็นมาจากงบบริจาคอันไหนมาจากกองทุนวัดช่วยวัดหรือกองทุนอะไรกระทำก็อเอามาช่วยในการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ นานก็เป็นไปได้ครับนี่คือความหวังที่ผมฝากไว้จากที่ประชุมนี้และช่วยกันพูดช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นว่าเราหวาดไ้านตัวเองเรากําลังทําทําพร้อมๆกันเราเรียกว่าแผนครับต่างคนต่างทําเรียกว่าไม่มีแผนไม่มีแผนยุทธศาสตร์ไม่มีแผนปฏิบัติการเราไม่เรียกว่าแม้เราจะทําอยู่รัฐบาลเขาก็ไม่เรียกว่าเราปฏิรูปครับ ตราบใดที่เราทั้งพร้อมกันและมันอยู่ในแผนเออพูดภาษาเดียวกันแล้วท่านนี้อยู่ในแผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ท่านแสดงว่าท่านทำที่น่าเสียดายก็คือเราต่างคนต่างทำทำกัอยู่ในคนละที่ไม่ได้เอามารวมอยู่ในแผนตอนนี้เรากำลังจะรวมเมื่อรวมแล้วเราก็สื่อสารให้ชาวโลกเข้าใจ และอันไหนที่ชาวโลกรัฐบาลเจาา้ากระถ่ำเราเราก็รับอันไหนเราต้องหางบประมาณเองบริจาคเองเราก็หามาและใดที่สุดครับเราก็จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตอบโจทย์ของบ้านเมืองตอบสนองพระราชบณญธานของอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิได้ด้วยสิ่งที่เรากาําลังทําและจะทําต่อไปผมขอถวายข้อคิดความเห็นแด่พระเดชพระคุณทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ